ขยานนะครับอากยานสัพพากิริยาคือความทำเป็นต้นว่ายืนเนนั่งนอนกินดื่มทำกพูดเรื่อว่าอากยานในอากยานนั้นท่าประกอบด้วยเวปารการโบวชวาจาบุรุษราชจองปัจจัยเพื่อเป็นเครื่องหมายเนื้อความ วิปัสนาทานจำแนกไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้โรคการบวนวาจารนบุรุษจะเป็นแปดหมวดในหมวดหนึ่งหนึ่งมีสิบทองวิปัสสน้วิปัสนาวิปาสนแปลว่าอยู่ย่อมจารติอันติสิธามีมาเิอันเต สัตสุวะโหเอามาเซสัตมิเวปันแปลว่าควรพึงอยะไงอยติอยาาอยมิอยาาเอตาเอระงเอโตอยวะโหอยาาเ สัสสีสัสสัสสามิสัสมาสัสเตสัสเทสัสเทสัสวาหิสัสังสัสมาหิการติปติวิปแปลว่า ปัจจุบันแท้หนึ่งปัจจุบันไกล้อดีตหนึ่งปัจจุบันไตล้อานาคตนอดีตการจัดเป็นซเมือ่อการเกิดล่วงแล้วไม่มีกำหนดหนึ่งล่วงแล้ววันนี้หนึ่งล่วงแล้ววันนี้หนึ่ง ข้างแปดงัวดที่กล่าวแล้วว่าตมนาวิปปับอกปจจุบันนการปจุบันแท้แปลว่าอยู่พิกวโกตัมมังเตเสตีนแสดงอยู่ซึ่งธรรมปจุบันไกล้ธาตินแปลว่ายอม น้มความรังเกียจบอกความยอมตาแปล s a t a t a ด้วยเราอันไกลๆยอมมาไม่ได้ a uh -huh. ม า, มายางข้จะมาพวกเราไปทาเวิปะให้บอกการบทบ<า>ว่จาจน่าบุรษเหล่านี้สำหรับประกอบกับทา่ทาท่าเกิดที่ศัิเป็นมูลรักท่านจัดรวบรวมไววเห็นแปดมูลจากพวกที่ประกอบด้วยปยัจัยเป็นนันเดียวกัน มีความเป็นภว่าสิย well well ่อมมีย well well <het an> ่อมเป็นภูธานเป็นไปในความมีความเป็นโคติย่อมมีย่อมเป็นสีรษฐาเป็นไปในความนอนเศรษฐิสยติย่อมนอนมาราชาเป็นไปในความตายมาราสิย่อมตายปัจจานเป็นไปในความหง่วงความต้องปัจจติย่อมหง่วงย่อมต้องอิคาร ในความเ็นอิจติย่อมเพนลาปัตาเป็นไปในความได้ลาปะัติย่อมได้ขัมมาตาดเป็นไปในความไปกาจจติย่อมไปหมวดโร ต, าตาัดลมหายัจจัยโร โมจติย้อมปิดโมจติยอมปล่อยโมจติยอมเกลียนทีาตเป็นไปในความต่อยเปลี่ยชาติยอมตอยเลปตเป็นไปในความจาเลปติยอมจามวดเทวดาตลมยาปัจใจเทวดาตเป็นไปในความเล่น จามเรนสิวาตาเป็นไปในความแยี่ยมสิวัชติย่อมเยี่ยมพมตตาตาเป็นไปในความเศร้าโรอาโมตติย่อมเศร้าโรอาเาเป็นไปในความเสื่อเกียติย่อมเส้นโมูฮาตาเป็นไปในความหลงมูฮาติย่อมหลงโมตตาตาเป็นไปในความเลื่อมโมตติย่อมเลื่อมรัชตา เปนไปในความยอมรัชาสิยอมยอมมุจจะาตเป็นไปในความหลุดความปนมุจจะิยอมหลุดยอมปนพิธาาตเป็นไปในความแตพิจชาสิยอมแต่งม่วนโสธาตลงโน่าปัจใจโสธาตุเป็นไปในความฟังโสนาสิยอมความวุทานเป็นไปในความร้อยวุนาสิยอมรอย เป็นไปในความโกรธีณาติย่อมวกมวดกิดธาลงนาปัจใจเกิดธาเป็นไปในความเสื้อกิีนาติย่อมเสื่อจิตาเป็นไปในความจำนาจินาติย่อมจำนาตัวาตเป็นไปในความกำจานตุนาติย่อมกำจานจิตาเป็นไปในความก่อความสั่งสม ย่อมขอย่อมสังซ้มโลตานเป็นไปในความเกี่ยวความตานโลนาติย่อมเกี่ยวย่อมตาลยาตัเป็นไปในความรรดกานาติย่อมรรดปูตัเป็นไปในความปัดความโรยปูนาติย่อมปัดย่อมโรย แฝงไยสาโรติย่อมแฝงการรตนเป็นไปในความตางกรโรติย่อมทำสกราตาเป็นไปในความอาสักโกติย่อมอ่านชากราตาเป็นไปในความเืนจากะโรติย่อมเตือนมอดจราลงในนยยปัจใจจุราตเป็นไปในความลัก เกติตกายาติย่อมตึงลาตัาเป็นไปในความจำนอนลาเกติลาตายาติย่อมจำนอนมันตัธาเป็นไปในความปรึกษามันเตติมันตายาติย่อมปรึกษาจินตัธาเป็นไปในความคิดจินเตติจินตายาติย่อมคิดตากรรมมตา บุคคลมึงทางถ้าเหล่า น, านั้นเรียกว่าอาการมากได้ไม่มีการ้าเหล่าใดเรียกาอากรรตา Uh-huh. <laughs> โอตา ปายาดนาเป